ที่เริ่มฝึกหัดภาวนาครุณาปฏิบัติด้วยดำเนินตามที่คันแนะไว้ในห น, ห น, นังสือ เ, เรื่องภาวนาจป็นอุสรรคสำคัญของาศาสนาแท้คภาวนาเป็นสำคัญมาก ในหลักศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไวอันนี้เป็นแก่หรือเป็นรากแก้วของศาสนาก่อนอื่นให้ใจได้รับการอบรมถึงเรื่องศีลธรรมคุณงามความดีต่างๆหลังจากนั้นก็ฝึกหัดทางด้านจิตใจทดสอบอารมณ์ ที่เคยเป็นพิศภัยแก่ตนเองมานานแสนนานได้จากความคิดตุงต่างๆคือทดสอบด้วยการภาวนาได้แก่การสังเกตจดรู้เมื่อทำความสังเกตอยู่เสมอเราจะค่อยทราบ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 เป็นเครื่องบงังคับให้ต้องทำงานเราก็ทำตามเหตุผลแต่ความชานาญของงานความเข้าใจงานเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่ชำนาญผลก็ยังไม่ปรากฏจึงต้องมีการฝืนเป็นธรรมดาของการทำงานในเบื้องตน้นเมื่อทำไปนานๆความทำนิชำนาญในงานก็ค่อยปรากฏขึ้นความคล่องแคล่วในงานก็ค่อยเป็นไปโดยลาพั ผลของงานก็ค่อยปรากฏขึ้นแล้วก็รู้ทิศทางที่จะดําเนินงานหนักเบามากน้อยไปโดยลําดับความหนักใจก็ค่อยเบาลงไปเพราะรู้วิธีที่จะทํางานนั้นๆตลอดถึงผลก็ได้รับโดยลำดับทั้งด้านแต่พ่ออย่างยิ่งด้านภาวนา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 แต่เป็นผู้รื้อฟื้นขนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เพราะความโงูเง่าต่างๆต่างหากรมที่แสดงออกมาทุกบททุกบาทออกมาจากการพิสูจน์ค้นพบของพระพุทธเจ้าอย่างแน่พระทัยแล้วจึงได้ให้นามพระธรรมนั้นว่าส่ขาตธรรมคือตรัสวว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยน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 หาความสัต์ความจริงต่อกันนี้รู้สึกว่าหาได้ยากไม่เหมือนก่อนๆเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของมนุษย์มันปลอมไปเลยกลายเป็นเรื่องเรื่องมนุษย์ปลอมไปอีกด้วยมีศักดิ์แต่ว่าร่างมนุษย์จิตใจปลอมเพราะฉะนั้นทำของจริงหรือคําจัดคำจริงจริงไม่สามารถที่จะสถิตอยู่ในจิตใจใที่ปลอมๆนั้นได้จึงของปลอมอยู่ด้วยกันมันถึงอยู่กันได้ด้วยความสนิท เวาลาระบายออกมาก็ออกมาจากความจำปลอมของใจผู้ฟังก็พร้อมด้วยการต่างอันต่างปลอมฟังนั้นก็เชื่อและต้มตุนกันไปได้อย่างสะดวกสบายไม่เร็ดไม่หลับในโลกมักจะชอบอย่างนั้นแต่าศาสนาธรรมซึ่งเป็นความจริงไม่มีการหลอกลวงต้มตุนกลับทำให้จิตใจห่างเหินหรือไม่อยากจะสนใจประพฤติปฏิบัติ เมื่อหาเหินความจริงแล้วมันก็มีแต่ความจมปลอมเข้าแทรกสิงหรือรุ่มรุมจิตใจแล้วความลําบากลาคาญอยู่เสมอนี่เราทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออาจเพื่อทําซึ่งเป็นความจริงจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงส อ, งสอนไว้แล้วจึงควรพิสูจน์ความจมปลอมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนว่ามีมานานเท่าไหร่และจะควรปฏิบัติแก้ไขอย่างไรบ้างความจมปลอมซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์ให้ เกิดขึ้นแก่เราอยู่ไม่แล้วไม่เล่านี้จะได้ค่อยหมดไปโดยลํำดับจะได้มีความผาสุกจรงใจบ้างจากการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั้นเป็นเครื่องที่จะเชื่อชูหรือปลกเครื่องสิ่งที่เป็นภัยให้รับความสุขความสบายขึ้นทางด้านจิตใจโดยลําดับภัยธรรมจึงไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าสมัยใดธรรมเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เป็นคู่ควรแก่ใจ และมีใจเท่านั้นเป็นผู้เป็นคู่ควรแก่ําคือสามารถที่จะรับธรรมไว้ได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจถือใจมันปลอมก็เพราะว่าสิ่งจมปลอมมันแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาครอบความจิตทั้งหมดหมดทั้งดวงนั้นกลายเป็นของปลอมประจามกาันไปหมดจึงทให้มนุษย์เราเดือดร้อนวุ่นวาย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 เพราะอย่างยิ่งการฝึกหัดภาวนาควรจะทำให้เป็ น, ปนลํำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังพอสมควรเพราะงานอื่นเราเคยทำมาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งบัดนี้เรายังทำได้หนักเราก็ทาเบาก็ทาผ่านมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะเป็นงานสักกี่ชิ้นแลยได้ผ่านความหนักเบาวความลาบากลาบนทุกร้อนเพราะงานนั้นๆมาๆมากมายเพียงไร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 จิตจะล่มลุกคุ่ครานพ่อไม่เคยถูกบังคับด้วยอดด้วยทำถูกบังคับจากจิเลตโดยถ่ายเดียวเรื่องของจิเลตต้องบังคับกิตเสมอบังคับให้ลงทางต่ําเมื่อจิตเราเคยถูกบังคับทางทางฝ่ายต่ําแล้วจะฉุดลากขึ้นมาทางฝ่ายสูงคืออัดทมจึงเป็นการยากอยู่เป็นธรรมดายากก็าตามเรา ฝืนเพื่อที่จะชุดล่ากิตใจที่กำลังถูกร่มรลุมอยู่ด้วยพิษภัยทั้งหลายนั้นให้พ้นภัยขึ้นมาโดยลำดับเป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งสาหรั บ, บเราผู้หวังความสุขความจเจริญท่านผู้ใดมีความสนใจหรือมีจดิตนิสัยชอบในธรรมบทใดกรุณานำธรรมบทนั้นไปบริกรรมคำว่า ถูกกับเจลิตนิสัยนั้นได้แต่เวลาเรากําหนดนําบททําบท น, น, นั้นมาบริกรรมทดสอบดูจะมีความรู้สึกเบาในภายในจิตใจที่คล่องแฉะภายในจิตไม่หนักหน่วงนี่คือว่าถูกกับเจิตของเราเช่นพุทโธเป็นต้นถูกแล้วก็พึงนําทําบทนั้นมากํากับกับใจทําไมจึงต้องได้กํานดนำคาบริกรรมมากํากับใจ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 เอาเหยื่อล่อเพื่อให้ตามันกินเบ็ดเราต้องการปลาเราไม่เราไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเหยื่อเรามุ่งหวังจะเอาปลาต่างหากจึงต้องหาเหยื่อมาล่อให้ติด ก, กับปลาเบ็ดแล้วให้ปลาเห็นเขาก็กินเพราะเข้าใจว่าเป็นอาหารนี่เป็นข้อเทียบเคียงแล้วคําว่าพุโทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีหรือคําบรริกรมบทใดก็ตามนี่เป็นเหมือนกับเหยื่ออันหนึง่งสําหรับ ลอดจิตหรือเหมือนกับเชื่อมัจจิตให้จิตอาศัยอยู่กับคําบริกรรมนั้นๆด้วยความมีสติจดจ่ออยู่เสมอไม่ให้พลากจากกันจากกหนดพุดโทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุโทโธสืบเนื่องกันไปเป็นลําดับลําับเมื่อจิตใจได้ทํางานในหน้าที่อันเดียวไม่มีสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือจิตไม่ได้เล่นลอดออกไปคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นร่วมควรจิตใจให้เกิดความทุ้งซ่านวุ่นวายจิตก็จะสงบตัวลงไป เพราะอาศ mm ัยคำบริกรรมเป็นเครื่องมุกหุกมัดไว้โดยสม่ำเสมอกระแสของกิษที่สร้างไปสถานที่หรืออาการต่างๆหรือวัตถุอารมณ์ต่างๆก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งพุทโธแห่งเดียวเลยกลายเป็นจุดผู้รู้ที่เด่นชัดขึ้นมาภายในใจเมื่อใจมีความสงบด้วยอุบายอย่างนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคือความสุข เ, เกิดขึ้นจากความสงบนี่เรียกว่าเราได้ผลงานคือการภาวนางานภาวนาของเราเริ่มได้ผลแล้วได้ผลเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสุขและสุขละเอียดอ่อนเข้าไปตามลําดับแห่งความสงบที่มีมากน้อยนี่เป็นผลเครื่องจะยังจิตใจงเราให้ดูจ ด, ดื่มหรือหรือเป็นพยานเป็นเครื่องยึด เป็นเครื่องอบอุ่นของใจใจเมื่อได้รับผลปรากฏเป็นที่พึงพอใจเช่นนี้จะมีความภาคเพียรจะมีความเชื่อมั่นตอบผลจะเป็นฝ่ายละเอียดยิ่งกว่านี้ก็าตามต้องมีอย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะเท่าที่ปรากฏนี้ก็เป็นที่พึงใจยอยู่แล้วยิ่งได้ทําภาวนาให้มีความละเอียดเขามากเข้าเพียงไรผลที่เป็นความละเอียดสุ ข, ขุมก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นโดยลำดับนี่แหละเป็นเชื่อแห่งความเชื่อ ความเริ่มงใสในพระศาสนาหรือความเชื่อต่องานของต้นที่จะพึงบึกบึนหรือพยายามไปโดยลําดับเมื่อจิตได้รับความสงบเป็นครั้งหนึ่งแล้วเห็นประจักษ์ต่อไปความขยันหมั่นเพียรความสนใจต่องานของเราที่เคยทํานี้จะค่อยเด่นขึ้นโดยลําดับไม่ค่อยจะถูกบังคับบัญชาอะไรมากนะักแต่ประการสําคัญ ขณะที่ปรากฏขึ้นแล้วคือขณะที่ผลปรากฏขึ้นแล้วในวันนี้หรือในคราวนี้คราวต่อไปอย่าได้ไปคาดไปหมายอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วนั้นและอย่าได้ถือนั้นมาเป็นอารมณ์ในขณะเราจะทำภาวนาในวาระต่อไปให้ตั้งหน้าตั้งตาทาตามหน้าที่ หรือตามงานของเราที่เคยทำอย่างที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเป็นอย่างไรเลยเมื่อสติความรับรู้สืบต่ออยู่กับคำบริกรรมความรู้สึกของเราก็สืบต่ออยู่กับคำบริกรรมเป็นลำดับนั่นและคืองานที่เราทำโดยถูกต้องแล้วและผลจะปรากฏขึ้นมากับงานนั้นเช่นเดียวกับที่เคยปรากฏมาแล้วและยิ่งกว่านั้นไปโดยลำดับ นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาะเป็นอย่างนี้ความสุขใดก็ตามไม่เหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทางใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตถีสันติปรังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนี้ไม่มีคาว่าอย่างนี้เริ่มไปตั้งแต่ความสงบในเบื้องตน้นจนกระทั่งถึงสันติคือความสงบในวาระสุดท้าย ได้แต่ความสงบราบคาบแห่งจิตที่ไม่มีกิเลสแม้น้อยหนึ่งเข้าไปเจือปนภายในจิตใจหรือไปแทรกเข็ภายในจิตใจเลยได้แก่จิตขงงปรารหันก็เรียกว่านัตถิสันติพลังสุ ข, ขังเช่นเดียวกันเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตหรือเป็นสัญญะสัญชาติปญาณอันหนึ่งก็ได้มุ่งหาความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าชาติชั้นวันนาใด มีความรู้สึกอยู่เช่นนี้มีความหวังอยู่เช่นนี้หวังต้องจะได้ความสุขความเจเลยแต่แล้วทําไมโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เต็มจิตใจและร่างกายของสัตว์โลกแล้วทําไมจึงไม่เจอความสุขดังที่มุ่งหมายบ้างไม่มากกาน้อยเพราะเหตุอะไรก็เพราะว่าแสวงหาความสุขไม่ไม่ถูกจุดอันเป็นที่พึงพอใจ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 การแสดงหาความฝุกทางใจแสดงหาอย่างนี้ส่วนภายนอกเราก็พอทราบกันเพราะเราเคย ส, อส่องแสดงเคยได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นมาแล้วอันนี้ใครๆก็เข้าใจไม่จําเป็นต้องแนะนำต่างสอนกันที่สําคัญก็คือการสาะแสดงหาความฝึกทางหน้าจิตใจอันเป็นหลักสําคัญในร่างกายและจิต จ, จิตใจเราเราควรจะ ส, อส่องแสดงหาวิธีใดถึงจะเจอความสุขจิตใจที่เจอความสุขย่อมไม่ปัดแปลง ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ฟุ่งเฟอ้อเห่อเหิมมีความสงบตัวอยู่เป็นปกติจะอยู่ในอียาบทไดก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสวยงามด้วยความสงบไม่ยิ่งเต้นเพ่งกระโดดอยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีอะไรกวนใจเนื่องจากความสงบเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้รับความสุขความชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเราควรจะสะแสวงหา ให้เห็นให้เจอความสุขบ้างไม่มากก็น้อยทางทางด้านจิตใจยากก็ทนบ้างเพราะงานไม่ว่างานไหนต้องฝืนความยุ่งยากต้องฝืนความลําบากต้องฝืนทุกบ้างเป็นธรรมดาเมื่อพอฝืนได้นอกจากมันสุตวพิสัยฝืนไม่ได้ก็จําเป็นด้วยกันไม่ว่างานนอกงานในงานนอกได้แก่การงานต่างๆงานในได้แก่งานกิจตะภาวนาต้องมีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาด้วยกันพระพุทธเจ้า ก็เป็นองค์ขพยานสําคัญแล้วในเรื่องความทุกข์ความท ร, รมานเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญพระองค์ก่อนจะได้จัดสรูป้ปรากฏว่าสลบสลายถึงสามหนตั่งดิคาว่าสลบก็คือว่าตายแล้วฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็ไปเลยจะทุกข์ขนาดไหนถึงจะต้องถึงขั้นสลบทําไม่ทุกข์มากจะสลบได้ยังไงคนเราต้องถึงขนาดสลบได้เรียกว่ารอดตายอ่าปุ่นยังไงนี่ ครูของเราท่านดาเนิน อ, อย่างนี้เพราะศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาเพื่อล้างมือเปิ้เกิดขึ้นด้วยเหตุด้ยผลเหตุ ด, ดีผลดีการําเหตุได้มากน้อยผลปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทํานั้นไม่ทําเลยผลจะปรากฏมาอย่างไรแต่ความต้องการท่านเราต้องการความถูกความเจริญความถูกความสมหวังด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหัวใจใดเราจะนําสิ่งใดมาเป็นเครื่องสนองความต้องการอันนี้ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเรานอกจากเราจะทําในสิ่งที่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 เคยคิดโน้นตรุงนี้บังทาบไว้บ้างการที่เราปล่อยตามจิตคิดไปในแง่ต่างๆตามอารมณ์ของใจนั้นเกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเที่ยวกว้านเอาความทุกข์ความร้อนอารมณ์ต่างๆเข้ามาเผารนจิตจใงตนให้เกิดความเดือดร้อนวาอยู่ไม่ขาดว่ากาตตอนเท่านั้นก็ไม่เห็นผลดีอันใดที่เกิดขึ้นจากการต่อใจไปตามลําพังของมันเหตการณ์ฝืจิตการทรมานจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆที่เป็น ยาพิษยาพายมาขอตนด้วยอาจรมอันจะนําความสุขมาให้นี้ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทําได้เพราะเราทราบทางเหตุผลอยู่แล้วว่านี่เราฝึกฝนทรมานเพื่อหาความสุขเพื่อเอาความสุขเพื่อให้จิตใจของเราดีมีความเป็นสุขด้วยการฝึกการทรมานพระริจ้าก็เคยฝึกมาแล้วจนสลบสลายชาวโลกทาก่านก็ได้ฝึกมาแล้วทรมานมาแล้วต้องเป็นผู้ผ่านทุกมาแล้วด้วยกันท่านถึงได้รับความสุขอันสมหวัง เราไม่ต้องพันอะไรเลยจะเอาความโสดชมังเลยก็รู้สึกมันจะเกินเกินครูไปถึงควรดํานเนินตามน่องรอยของครูว่าพุทธทางสมังสังฆ์ทางสนาฉามีถ้านดำเนินยังไงก็ควรดํานเนินอย่างนั้นหนักบ้างเบาบ้างทุกยากลําบากบ้างก็ทนเอาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทุกโดยกันนั่นแหละให้อยู่ที่ไหนก็ทกแต่การบําเพ็ญตามหลัก ทรรคือเหตุผลล้วนๆนั้นเป็นทางที่จะให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลํำดับซึ่งเป็นจิตที่เราควรสนใจการท่องเที่ยวในวันตรุษสงสารด้วยความร่มความจมความทุกข์ความท ร, รมานนั้นเราต้องการกันมากหรือผลที่เกิดขึ้นเช่นนั้นเพราะการต่อยตัวผลเกิดขึ้นเช้นนั้นเพราะความอ่อนแอเพราะความไม่สนใจใ น, ในหลักเกณฑ์ที่จะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาจึงมีแต่ความทุกข์เผาร้อนอยู่ทุกชาติทุกภพ ตั้งกลับตั้งกันนับไม่ถ้วนเป็นสิ่งที่สาโลกรายไหนๆก็ตามไม่ต้องการทั้กันทั้งนั้นแต่ทำไมเราจะเป็นผู้ไปเจอโอสิงเหล่านั้นเพราะความไม่เอาไหนของใจสมควรนะเหรอนี่ปัญหาตั้งถามตัวเองเป็นอุบายของปัญญาที่จะปราบปรามกิเลสที่มันหลอกเราทุกข์เราก็ต้องทนแต่ทุกข์ในทางที่ดีทนบ้าง กิจนี้ถูกกิเลสครอบงำ ม, มานานอะไรๆก็เป็นไปตาม ก, กิเลสทั้งหมดทําแทรกเขาไม่ได้เลยแล้วเวลานี้กําลังพยายามจะเอาทอําแทรกเข้าแผ่นพานกิจใจเพื่อฉุดล่า ก, กิตใจที่กําลังมีคุณค่าอยู่แต่เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบงำเสียกิจจึงหาคุณค่าไม่ได้นั้นถอยออกมาเพื่อให้มีคุณค่าด้วยธรรมเราฝึกจิตเพื่อมีคุณค่า จะทุกข์ยากลาบากก็เพื่อคุณเพื่อคุณค่าของใจทําไมจะยลำลาบากลำบน่นเราต้องหาบายแก้เราให้ได้นี่เราอุบายทางความฉลาดของปัญญาแก้ตัวอย่างนี้เราจะให้เสียทีวันคืนปีเดือนกินไปทุกวันทุกวันชีวิตใครจะมีมากน้อยเพียงไรก็าตามวินาทีกินไปนาทีกินไปชั่วโมองกินไปกินทุกวี่ทุกวันทุกวันเวลาดับตื่นลืมตากินไปตลอดสายแล้วจะมีอายุจะกี่ล้านปีก็กเถอะ เพราะอำนาจแห่งกินกันอยู่เสมออยู่ไม่หยุดไม่ถอยเนี่ยมันหมดไปได้เฮ้มันจะเหลือได้ยังไงเป็นล้านร้านกว่าเธอเพราะความกินอยู่เสมอเวลานาทีกินไปเรื่อยกินไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็ถึงจุดหมายแา่ทางเองมันถึงจุดที่หมายเองสลายหรือทำลายไปได้เนี่เวลานี้มันยังไม่หมดเขากินไปทุกวันทุกเวลาแต่ยังเหลืออยู่ที่พอเราจะได้แบ่งทำกุญงามความดี สาระเป็นที่พึ่งของใจเราได้ในขณะนี้จึงควรตื่นตัวตายแล้วถึงตื่นตัวมันตื่นไม่ได้จึงเรียกว่าคนตายตายแล้วไปหาทำบุญนําทานที่ไหนทําไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้นอกจากจะสวไวผลที่เราทำแล้วตั้งแต่ความเป็นมนุษย์อยู่นี้เท่านั้นเราต้องคาดปัญญางเราไว้ให้ไกลกว่ากิเลสกิเลสมันไม่คาดอะไรแล้วจะให้ได้อย่างใจอย่างใจอย่างใจเป็นที่พอ ให้อถู่ด้วยความสนุกสนานดื่นเริงอยู่ตามใจก็อพอแล้วมันสนุกสนานที่ไหนมันดื่นเดิงที่ไหนพลิกของกิเลสมันทําคนให้ดื่นเริงให้มีความสะดวกสบายที่ไหนมีแต่บีบคั้นจิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาเท่านั้นทํามาเห็นโทษของมันก็จะต้องถูกมันกดขี่บังคับอีกตลอดไปถ้าเห็นโทษของมันทําจะแทรกข้ดทางในจิตใจได้เราก็จะกลายเป็นผู้มีสาระขึ้นมา การทำกุญญามความดีทั้งหมดนี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจหรือเป็นเครื่องอุน่นหัวใจหรือเป็นหลักของใจให้ใจได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เมื่อใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีใจเป็นธรรเป็นเครื่องอาศัยแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะมีหลักอันถูกต้องมีงานเป็นเครื่องยึดทำโมหะเวรคติธรรมใจพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั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 ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามผู้ขึ้นเชื่อว่าผู้มีธรรมภายในใจและบำเพ็ญคุณงามความดีไว้ในใจแล้วก็เท่ากับไปเสวยผลโดยถ่ยเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นปัจจัยท่านสุตตะภาวนาในเบื้องต้นพยายามทําจิตของเราให้สงบพอจิตสงบเท่านั้นผลแห่งการภาวนาเป็นอย่างไรเราไม่ต้องถามจะทราบภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญด้วยการทั้งนั้น เพราะคำว่าสันติโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองรู้เองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบใ ห, ให้กับผู้ปฏิบัติด้วยกันเสมอกันทุกหลายจะพึงได้รับผลที่ตนผู้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรตามกำลังของตนมีทานกล่าวในเรื่องสมาธิคือความสงบภ า, ายในใจสงบจากอารมณ์เครื่องก่อควนทั้งหลาย เรียกว่าสงบเมื่อไม่มีอะไรก่อควรถ้าเป็นน้ําก็ใสาสะอาดจิตใจก็ผ่องใสอืาถ้าจากอารมณ์เครื่องสิ่งที่คิดตรุงต่า ง, ง, างๆเป็นเครื่องควรใจใจย่อมสงบแ น, แน่วแน่มีความสุขสุขอย่างละเอียดละออมีความสงบมากเพียงไงความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้ยิ่งละเอียดสุขผมมากขึ้นจนกลายเป็นความความสุขที่น่าอัศจรรย์ หรือเป็นความสุขที่อัศจรรย์เพียงขั้นเห็นความสงบคือสมาธิเท่านั้นก็แสดงผลให้ผู้ปฏิบัติเห็นแล้วประจักษ์ใจมีขั้นสมาธิที่นี่ขั้นขั้นปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสอาสมะทั้งหลายที่สมาธิรวมตัวกิเลสทั้งหลายเข้ามาสู่ปิดเรียกว่ามามัดไว้ครับที่ที่นี่จะเริ่มฆ่าแล้วนี้นฆ่าด้วยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าเดียว าฟาดพันหั่นแหลกเยืลงไปจิตมันมีความขัดข้องยุ่งเหยิงหรือติดพันอยู่กับสิ่งใดรักสิ่งใดโกรธสิ่งใดเกลียดสิด่งใดอามาแยกมาขยายพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแต่พ อ, อย่างยิ่งคือท่าคือขันตั้งแต่วันเกิดมาอันนี้เป็นคลองทุกข์ด้วยมาจกนกระทั่งบัดนี้แลจวกระทั่งถึงวันตายเราพิจารณาเห็นชัดคำว่าอันนี้จังคืออะไรเราเห็นแต่ในคมพีบวลานทัานเขียนไว้ว่าอันนี้จังอันนี้จังทุกขังอนาตาอันนี้จังตามความเป็นจริงที่กำลังก่อเตือนเราอยู่ ทุกวีดกวันทุกเวลาเวลาก็คืออนิจจังของร่างกายนี่เองอะไรแปรสภาพผิดปกติมันก็กระเทวนจิตใจเราเรียกว่าไม่สบายเนี่ยทามันแสดงมากมันไม่สบายทุกขังหมายคำว่าอะไรทุกมันก็ต้องกระเทือยู่พนักสร้างกายและจิตใจของเรานี่อนัตตามีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้บ้างเรากําหนดดูตามอวัยวะต่างๆจะเป็นส่วนใดก็ตามมันเป็นตามความจริงของมันทั้งนั้นรวมตัว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 ตามธาตุตามขันตลอดถึงความคิดความตุงของจิตให้เห็นว่าเป็นสภาพอนิจจังทุกขงังอัตตาด้วยกันประจักษ์ด้วยปัญญาลงไปโดยลําดับลําดับความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดว่านั้นเป็นเรานั้นนี้เป็นของเราแน่อาการใดก็ตามมันก็าาถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาคือปล่อยกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์นั้นแล้วถ้าเรียกอุปทานเครื่องยึดมั่นถือมั่นมันกดทวงจิตใจของของเราไม่ใช่น้อยให้รับความทุกข์ความลําบากเพราะอุปทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาสอดแทรกให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วย่อมถอน สิ่งเหลนี้ความยึนมั่นถือมั่นเข้ามาได้เป็นลําดับลําดับนี่ถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตกําหนดเข้าไปจนกรทั่งเสื่อมจิตเชื้อของกิเหลือตัณหาสมะมารวมตัวอยู่ภายในจิตดวงเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นตัดเ้งหมดแล้วไปยึดถือในส่วนใดอาการใดปัญญาสอดแทรกเข้าไปตัดขาดไปโดยลําดับลําดับทิ่เหลือไม่มีที่อยู่วิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิต ปัญญาตามเข้าไปในจิตพิจารณาค้นคว้าเห็นตามหลักใินจรงทุกหนาตาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทัท่วไปจนกระทั่งถึงขีดเด็ดทนไม่ไหวแต่กระจายออกไปจา ก, กจิตนี่เรียกว่าทําลายภพชาติเชื้อของภพของชาติมันอยู่ในพิมันอยู่ในใจถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือจิตเป็นอิสระแล้วไม่ต้องก็อาศัยอะไรอีกต่อไปเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายที่เป็นประช้าประจําตัดทั้งขัน ในตัวของเราเองที่เคยเป็นมานั้นเป็นเอา่าหมดปัญหากันพอจิตพอตัวแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดนี่คือความสุขอันสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้มาจากศาสนธรรมมาเป็นเครื่องมือผู้ปฏิบัติในทางมร้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือความสุขอันสุขขุมละเอียดยนิพพานังปรมังสุขขัง มีควานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงกิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยมีมีคุณค่าเพียงไหลจิตดวงนี้แหละดวงที่ถูกสิ่งไม่มีคุณค่าสิ่งที่จอมปลอมสิ่งที่สกรกโกรกโสมมทั้งหลายมันครอบงำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อชาระสิ่งโกรกทั้งหลายสิ่งไม่มีคุณค่าทั้งหลายนีงออกไปได้โดยลําดับบจิตก็กลายเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเรื่อยๆจนมาทั่งถึงมีคุณค่าอย่างเต็มพุงถึงขั้นมิสุดที่มักเรียกว่า ถึงขั้นวิสุทธิจิตเป็นจิตที่สมบูรณ์เต็มภูมิไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งหมดที่นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงไปไม่เกิดที่ไหนแล้วก็ไม่ตายที่ไหนอีกด้วยเพราะมีเชื่อคือช้าเนี่ยคือความเกิดความตายก็ไม่มีเราไม่มีการจับจองปาาัจาบัจฉาจะมีในดวงเราได้อย่างไงไม่มีเกิดความตายจะมีได้ไหนี่คือจิตที่พอตัวแล้วไม่ต้องอาศัยอะไรเลยตอนที่มันยังอาศัยอยู่เพราะยังไม่สามารถพึ่งตัวเองนี้ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องพยุงฉะนั้นการสร้างคุณ ง, งามความดีสําหรับ เราเองผู้มีความรับปิดเท่าในตัวเราจรึงเป็นความจําเป็นอยู่ตลอดไปถ้ายังจะท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารกราบใดคุณ ง, งามความดีซึ่งเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยจึงต้องเป็นความจําเป็นอยู่กราบนั้นดานขอให้ท่านทั้งหลายจึงเป็นพุทธบริษัทได้นําปฏิญนิทพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตนอย่าได้มีความประมาทนอนใจเรื่องชีวิตสังขารร่างกายไม่มีกฎมีเกณฑ์ดับตายเมื่อไรก็หน้าแตกเมื่อไรก็ได้มออ ไ, ไ, ดไม่ไม่มีอะไรมาเมียมหน้าเหนือสิ่งเหล่านี้ได้ แลนั้นเราเมื่อไม่ประมาทคุณงามความดีที่ควรจะตักตวงเาเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่ได้เสียถ้าเสียทีไม่เดือดร้อนในภายหลังอยู่ก็เป็นสุกตา้ก็เป็นสุขไม่มีอะไรเดือดร้อนจึงขอยุติเพียงเท่านี้